สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากสีแดงนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่สีสิบเก้าแล้วครับโดยมีหัวข้อย่อยคือหญิงชาวสมาเรียตอนที่ห้าในวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อครับพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังนั้นเกิดจากการประกาศพระเยซูนะครับความเชื่อของผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งเป็นหญิงชาวสมารียเขาเกิดจากการที่เขาได้ยินได้ฟังได้พูดคุยกับองค์พระเยซู มีประสบการณ์กับโปรงครับและในเวลาเดียวกันความเชื่อเริ่มเกิดขึ้นจนกระทั่งเธอแน่ใจว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นพระเมสสิยาหรือพระเมสสุบุดดของพระเจ้าแน่นอนเป็นผู้ที่มาช่วยนะครับเป็นผู้ที่จะมาช่วยทําให้คนของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งชาวสมารียเองนั้นนะครับก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าจะส่งพระเมสสิยามาช่วยพวกเขาเหมือนกันคี่น้องครับเราลองคิดถึงภาพนะครับว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ ได้วิ่งเข้าไปในเมืองแล้วก็บอกกับชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองที่นั่นบอกว่าคนคนเนี้ยเป็นใครนะครับพี่น้องครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าเมื่อพระเยซูได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนี้ได้มีโอกาสรู้จักกับพระองค์ผู้หญิงคนนี้ได้ยินเรื่องน้ํำทารงชีวิตซึ่งทําให้นางรับความรอนปรากฏว่าความเหน็ดเหนื่อยนะครับความหิวโหยจาก ร่างกายที่เธอมีอยู่นั้นก็มาลายหายไปเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูได้ทรงฟื้นจิตวิญญาณนะครับให้ชื่นใจนะครับฟื้นจิตวิญญาณของเธอเนี่ยให้ขึ้นมานะครับพี่น้องครับเวลาที่เรามีความทุกข์ยากลําบากในชีวิตนะครับหรือเราอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยท้อแท้นะครับขอให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าครับขอพระเจ้าประทานประสบการณ์นะครับเช่นเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้ ที่เขาเคยมีประสบการณ์กับพระเยซูให้กับเราบ้างสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นพลังฝ่ายจิตวิญญาณครับนะครับเป็นพลังฝ่ายจิตวิญญาณที่จะทำให้เราสามารถเดินและต่อสู้กับชีวิตของเราต่อไปเพื่อให้งานของพระเจ้าสาเร็จเพื่อให้แผนการที่พระเจ้าได้มีในชีวิตของเรานั้นสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับพลังฝ่ายจิตวิญญาณนะครับก็คือต้องออกนะครับจากความยุ่งหรือความ หรือธุละต่างๆที่รับตัวนะครับและสงวนเวลาตั้งเวลาไว้สําหรับการอ่านพรชนะของพระเจ้าการอธิษฐานนะครับและการเป็นพยานให้ผู้อื่นฟังเรื่องพระเจ้าพี่น้องครับเวลาที่เราพูดถึงปัญหาของเราเยอะแยะมากมายนะครับความเครียดเกิดครับแต่ถ้าเราพูดถึงพระคุณของพระเจ้านะครับความชื่นชมยินดีเกิดครับหรือถ้าเราเป็นพยานให้ผู้อื่นฟังเรื่องพระเยซูเรื่องประสบการณ์ที่พระเจ้าช่วยเรานั่นแหละครับความเชื่อเกิด ความชื่นชมยินดีเกิดความหวังใจเกิดสิ่งดีๆที่เป็นบวกเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นผมก็มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับว่าอย่าไปพูดสิ่งลบๆนะครับแต่ให้เป็นพยานแต่ให้อธิษฐานแต่ให้อ่านพระชนะของพระเจ้ามีอาจารย์ผมท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์หมอเฮอรีนะครับท่านทราบว่าผมได้ป่วยเป็นโรคทางลำไส้อย่างหนึ่งนะครับก็คือลำไส้นั้นบิดเป็นเกลียวอยู่สามเกลียวในท้องของผมนะครับสามจุดด้วยกัน พี่น้องครับท่านแนะนํานะครับบอกว่าทํางานให้น้อยลงอธิษฐานให้มากขึ้นอ่านท่านก บ, บีให้มากขึ้นและจะหายพี่น้องครับเมื่อเราเลิกคิดนะครับถึงสิ่งที่ลบๆและเราใส่ชีวิตของเราด้วยสิ่งบวกๆพี่น้องครับความชื่นชมินดีเกิดครับประสบการณ์กับพระเจ้าเกิดครับเรามีความอบอุ่นในชีวิตเรามีจอยนะครับเมื่อเราให้พระเยซูมา ก, ก่อน เรามีความชื่นชมินดีเรามีความเชื่อมากขึ้นอี่างนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่ต้องการอาหารและการพักผ่อนแน่นอนครับคริสเตียนอิ่มทิพไม่ได้นะครับแต่หลายหลครั้งเมื่อเราเหนื่อยจากการงานรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงรู้สึกเบื่นเอาเราสามารถที่จะชาร์จแบตได้นะครับโดยการใช้เวลาเข้าพ่อพระเจ้าแล้วความรู้สึกสดชื่นก็จะขึ้นมาการทํางานรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้อื่นในพระนามของพระเจ้านะครับ หรือการพยายามจะช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณและความเชื่อของพวกเราด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกในวันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรพลาดการไปบสถ์ในวันอาทิตย์แม้ว่าเราจะทำงานเหนื่อยขนาดไหนก็ตามนะครับการนมัสการพระเจ้าและการปลดอยบัติรับใช้พระเจ้ า, จา น, นั้นทําให้เรารับพลังจิตวิญญาณครับพลังจิตวิญญาณ น, นี้เองทําให้ความเชื่อของเรานะครับได้ดีขึ้นเป็นการพัฒนาความหวังความเชื่อและความรักของเรา ในการที่มีชีวิตอยู่พี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นได้ประทานการทรงเลือกประทานเกียรติและความช่วยเหลือต่อผู้ที่ชื่อสัตว์นะครับของพระองค์เสมอโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเมื่อยามเ้าร่างกายอ่อนแอเมื่อยามเ้าทอ้อแท้ครับพี่น้องครับระหว่างที่ชาวเมืองยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับเพียร์ซูมีเวลาสั่งสอนเหล่าสาวกถึงเรื่องอื่นๆในข้อที่สาิบห้าและข้อที่สามสิบเจ็ดครับ พระองค์งประสานแลขอโทษครับพระองค์ทรงประสงค์ให้ชาวกนั้นเข้าใจถึงงานเก็บเกี่ยวทางด้านจิตวิ ญ, ญญาณที่รอคอยอยู่พระองค์ก็ทรงห ย, หยิบยอกเอาการเก็บเกี่ยวของชาวนามาสอนครับเป็นอุปมาหลังจากที่ชาวนาเพาะปลูกแล้วนะครับพ่อปลูกแล้วมีช่วงเวลาที่ชาวนาต้องรอคอยก่อนที่จะได้เก็บเกี่ยวส่วนทางด้านจิตวิญญาณนะครับเราก็ต้องรอคอยเหมือนกันครับนะครับทั้งผู้หว่านและผู้เกี่ยวนะครับ ก็ต้องรอคอยเวรอคอยเวลาเติบโตครับด้านจิตวิญญาณนี้นอกจากพระเยซูทรงชี้ว่าทั้งผู้หวานและผู้เกี่ยวต่างก็รับความชื่นชมยินดีในการเก็บในการเกี่ยวนะครับเราก็ผู้เป็นผู้หวานเราก็ชื่นชมยินดีในการหว่านเหมือนกันเพราะเราจะได้รับพืชผลทั้งได้รับค่าจดด้างในการทํางานและขายพืชผลนะครับเหมือนกันพระองค์ตรัสว่าพวกสาวกนั้นเป็นผู้เก็บเกี่ยวคนอื่นได้โรงแรมด พระ อ, องค์หมายถึงคนที่ลงแรงทําก็คือพวกผู้เผยเพระเจะนะ้าหรือแม้กระทั่งเล็งถึงยอนครับผู้ให้บาปพิศมาที่เตรียมใจเตรียมคนไว้ก่อนพระเยซูมาเตซูตรัสว่าเงยหน้าดูเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอัลามแล้วถึงเวลาเกี่ยวแล้วหากวินาทีนั้นสาวกเงยหน้าดูเขาจะเห็นคนทั้งเมืองออกมาให้เขาเก็บเกี่ยวผลครับพวกเขาได้ยินเรื่องราวของพระเมสสิยาก็เลยออกมาจากเมืองมาหาพระเยซู พี่น้องว่าพวกเขาจะเชื่อพระเยซูไหมครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเงยหน้าขึ้นดูนะครับดูรอบๆทางของเราดูคนรอบข้างของเราดูคนที่เดินผ่านเข้าผ่านออกในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันพวกเขายังไม่ได้รับความรอดพวกเขายังไม่มีชีวิตนิรันดร์เมื่อพวกเขาตายแล้วเขาจะไปไหนครับไปคนละที่กับเราแน่นอนพี่น้องครับถ้าเรายอมเงยหน้าดูทุ่งนานะครับเราจะเห็นครับแต่ถ้าเรา มองแต่กระจกเราก็จะเห็นตัวเองมองก้มหน้าเราก้มหน้าเราก็จะมองเห็นเห็นชท้าของตัวเองเห็นแต่ตัวเองนะครับเราไม่เคยมองออกไปเห็นคนอื่นเห็นความต้องการคนอื่นเห็นความเร่งด่วนจําเป็นเห็นเหตุที่พวกเขาจําเป็นที่ต้องรับความรอดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีสายตาควายจิวิญญาณที่เราจะเห็นทุ่งนาที่เหลืองน่หลามจริงๆครับและเราจะเป็นคนที่เกี่ยว หรือเราอาจจะเป็นคนที่หวานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุ่งนาที่เหลืองอล า, ามแล้วเราต้องเป็นคนเกี่ยวครับแต่บางคนหวานให้เราแล้วพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราและเสริมกําลังเราในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูนะครับว่าชาวสมารียนั้นจะเชื่อพระเยซูไหมขาพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน